านเราพัฒนานำพาด้วยคนนาาุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาศรัทธาบัน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 ผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเรานําเรื่องราวที่น่าสนใจข่าวสารที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีาความเคลื่อนไหวข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการประชุมครมอสัญจรที่อุบลราชธานีนะครับซึ่งมีการประชุมกันวันที่24กรกฎาคมวันที่23นี่ นายงตรีผลเอกประยุทธ์แล้วก็คณะนี่ก็ลงไปเยี่ยมชมกิจกรรมของชุมชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์อยู่ที่อำนาจเจริญก็ดีนะติดตามเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับในจังหวัดใกลเคียงนะในกลุ่มจังหวัดอีสานภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนตอนล่าง2องคือกลุ่มนั้นก็จะมีอุบล รีสะเกตนะครับอำนา จ, จเจริญยโสธรครับก็ไปติดตามกิจกรรมทั้งกเกษตรอินทรีย์ทั้งเกี่ยวกับเรื่องของท่องเที่ยวของโอทอบของทั้งชุมชนนะครับรวมทั้งเปิดงานแหเทียนพรรษาของอุบลราชธานีวันที่24กรกฎาคมมาประชุมคอรมสัญจรที่มหาวิจัยอุบลราชธานีนะครับเพิ่งก็ในส่วนนี้นายงตรีเข้าไป กาเยี่ยมชมการนิทรรศการของของนักศึกษานะครับมีผลิตภัณฑ์กับการวิจัยของนักศึกษาหลากหลายเลยนะครับเอามาให้คณะมตรีได้ได้เยี่ยมชมแล้วก็ยังแนะนําให้นักศึกษาในนา ย, ยบอกว่าให้เรียนในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหการรมเป้าหมายของประเทศเพื่อจะได้ไม่ตกงานนะครับนะเพื่อจะได้ส่งเสริมการพัฒนาประเทศต่อไปก่อนแนะนำํำและนอกจาก น, นี้ก็มีการประชุมในส่วน ในช่วงเช้านี่มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างสองก่อนนะครับนะก็ประชุมร่วมกับกลุ่มธุรกิจหอการค้าต่างๆที่เกี่ยวข้องจะพัฒนากันอย่างไรนะครับนะในส่วนของกลุ่มนั้นนะครับส่วนช่วงบ่ายเนี่ยเป็นการประชุมครมนะครับนะครมสัญจรมีมาตรการกันออกม า, าการหลากหลายเลยทีเดียวนะครับทั้ง เรื่องของการตัดถนนหนทางการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวนะพัฒนาพื้นที่ช่อง m มกนะครับนะที่เชื่อมต่อกับสปปลาวนะครับนะให้กระตุ้นเศรษฐกิจใ น, ในส่วนนั้นนะครับและนอกจากนี้นายยงตรีก็ยังเปิดเผยบอกว่ากลุ่มภาคอีสานตอนล่างสองนี่ก็จะมีการพัฒนาระบบโลจิสติกพัฒนาคมนาคมขนส่งขยายถนนหนทางแล้วนะครับทำรถไฟ ทางคู่นะครับนะเพื่อเชื่อมขยายต่อกับรถไฟรางคู่นะมีการโครงการแหล่งน้ำกว่า40โครงการบอกงั้นครับนะแล้วก็ยังมีมีการยกระดับพัฒนากเกษตรอินทรีย์นะใ ห, ให้การช่วยเหลือเกษตรก ร, ร, กรที่ไม่มีที่ดินทำกินนะซึ่งเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็เป็นนะเรื่องที่รัฐบาลก็จะจะส่งเสริมมีการจัดตั้งโรงงาน ต้นแบบเพื่อผลิตเครื่องสําอางเครื่องดื่มกเกษตรปศุสัตว์แล้วก็ยังมีการขยายสนามบินอุบลราชธานีนะครับแล้วก็สนามบินเริงนกทาที่ยะโสธรด้วยนะครับนะแล้วก็มีการขยายโรงพยาบาลประจำจังหวัดอุบลคือโรงพยาบาลสรรสัมปสิทธิ์ประสงค์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหญ่นะให้รองรับบริการประชาชนให้ให้ได้มากขึ้นนะครับ นะมีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการทําสะพานมิตรภาพนะระหว่างไทยลาวด้วยนะครับนะที่ที่อุบลนี่แหละครับนะนะเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้ก็หลากหลายเลยทีเดียวก็ต้องดูรายละเอียดนะครับกันว่าว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งนาะยงตีนี่ก็มีมาตรการหลากหลายแล้วครับนะในใ น, ในเรื่องนะเข้ามาแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนนะใ น, ในพื้นที่นะในพื้นที่และนอกจากนี้ใ น, ในช่วง บ่ายนายงตรีพร้อมคณะเนี่ยไปได้ไปชมแหล่งท่องเที่ยวนะก็เรียกว่าแ่งท่องเที่ยวชีถวนที่อำเภอเครื่องในอุบล น, นะเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็ปนวัตวิถีของกรมพัฒนาชุมชนของมหาไทยนะก็ได้มีการ ทำพิธีมีขบวนแหร่ร่วมขบวนแห่กับชาวบ้านนะครับนะที่ที่ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวโครงการชุมชนท่องเที่ยว น, ะนวัดบิถีดังกล่าวนะครับนะก็แล้วก็ได้ไปกราบนักมาสการประเทศปัญญามุนีซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดอาวุธวิกสีตาลามซึ่งเป็นคนในพื้นที่นั่นแหละครับนะเพราะฉะ น, นั้นก็มีพิธีกรรมนะครับร่วมกับกับชาวบ้านนะครับนะเพราะฉะ น, นั้นตรงนี้นี่ก็ คิดว่ามาตรการของของรัฐบาลที่ออกมาก็จะเป็นการกระตุ้ น, นเศรษฐกิจนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวกันมากขึ้นนะครับซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันกันต่อไปนะครับมาตรการต่างๆเหล่านี้มารับฟังเพลงสักเพลงก่อนจะมาพูดมาคุยกันต่อครับ บางไหมว่าใครนั้นเฝ้าคิดถึงรู้บ้างไหมว่าใครนั้นแอบถึงเธอรู้บ้างไหมว่าใครเฝ้ามองสเสมอรู้บ้างไหมเราเ อ, อ่ว่าเธอนั้นคือดวงใจรู้ ว่าใครคนหนึ่งหวงหารู้ไว้เถดนาจ้องตาเธอก็ยังเคยก็ฉันคือคนแอบรักที่พักดีอยู่เสมอหัวใจไม่ห่างเธอรักเธอมา น, นานลึลง ได้แอบรักคุณฉันคนนี้ที่ยังเฝ้าคอยคิดถึงฉันคนนี้ที่ยังเฝ้าแอบหึงเธ อ, อฉัน งเสมอฉันคนนี้รักเธอก็เธอนั้นคือดวงใจฉันคนนี้ที่ยังเฝ้าหอยหวงหารู้ไว้เถิดนะจ้องตาเธอก็ยังเคยก็ฉันคือคนแอบรักที่พักดี I'm not a o n พักดีอยู่เสมอหัวใจไม่ห่หางเธอรักเธอมันนานหรือเกินก็ฉันคือคนแอบรักที่พักดีอยู่เสมอ รครับมาพูดมาคุยกันต่อนะครับนะรัฐบาลนี้กะจะพัฒนาอุบลเป็นเป็นศูนย์กลาง เดียวกับเรื่องของการท่องเที่ยวแถวอีสานใต้เพราะว่าเชื่อมโยงไปที่สปปลาวนะครับนะชิช่องเม็กก็คงจะมีการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแถวนั้นเพรการท่องเที่ยวแถวสปปลาวทางตอนใต้นี่ก็มีทั้งน้ําตกมีภูเขามีแหล่งท่องเที่ยวที่มากกว่าทางทางทางลาวเหนือนะครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ เพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็เชื่อมโยงกันได้รวมทั้งมีสนามบินนานาชาติการทำสะพานมิตรภาพก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะฮะทำให้การติดต่อคนะ้าขายกันได้มากขึ้นแต่เรื่องเร่งด่วนก็คงอย่างที่รับทราบกันดีว่าในส่วนของรัฐบาลต้องเร่งช่วยเหลือปัญหาน้ำท่วมจากกรณีเขื่อนแตกที่สปปลาวนะครับนะซึ่งก็เป็น ข่าวข่าวตามสื่อมวลชนที่รับทราบกันดีอยู่แล้วก็ทั้งภาคเอกชนมู ล, ลนิธิกู้ภัยของไทยเรานะหลากหลายนะครับก็ส่งความช่วยเหลือเข้าไปช่วยอย่างนะพี่น้องที่ประสบอุทุกภัยที่ลาวนะครับแล้วก็ร่วมรับบริจาคกันะนะเพื่อที่จะไปช่วยพี่น้องเราก็มนะีทั้งในส่วนของหนะองการค้าแล้วก็ในส่วนของมู ล, ลนิธิสถานเอกัครราชาทูตนะครับนะ ของสปป ล, ลาวนะรับบริจาค ก, ก็ไปบริจาค ก, กันได้สถานกงสุนลาวอยู่ที่ขอนแก่นเปิดรับบริจาคนะครับนะรวมทั้งในส่วนของสถานเอกกราชุไทยที่เวียงจันทร์เปิดรับบริจาคเหมือนกันก็มีหมายเลขบัญชีก็เผยแพร่กันตามสื่อต่างๆแล้วก็ร่วมมือกันนะครับเพราะว่าเป็นพี่เป็นน้องกันก็คงจะต้องช่วยเหลือกั น, นเราจะเห็นว่าใ น, ใ น, ใ, นในภาพเน้ําท่วมกันถึงเกือบถึงหลังคาบ้านแล้วครับนะพะว่ามวล น, น้ํา จากเขื่อนที่แตกออกมานี่ก็มหาสารล่ะครับนะท่วมเลือกสวนไล่นานแม้แต่พระคุณเจ้าหรือว่าชาวบ้านนี่ต้องอยู่อยู่บนหลังคาครับก็คงจะต้องช่วยกันอย่างเร่งด่วนนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่า น, นก็ชุกร่วมกันบริจาคช่วยเหลือพี่น้องสอปปลาวซึ่งเป็นบ้านพี่เมืองน้องกะกะเรานะครับ ตอนนี้ในส่วนของคอรมรสัญจรที่อุบลนี่มีการเดินหน้าเพื่อที่จะขยับราคาเข้าเข้าของชาวนานะครับแต่ก็บอกว่าพยายามที่จะให้เข้าหอมมลเนี่ยได้รับการประกันการรับซื้อถึงตันละ1 7 0 0 0 0บาทนะครับาอย่างนั้นนะครับโดยคอรมรอนุมัติงบประมาณ 97,950 ล้านบาท หนุนสามมาตรการดูแลราคาข้าวปี2 6 1 6 2นะครับนะเพื่อที่จะให้ชาวนาเนี่ยที่ปลูกข้าวหอมมะลิได้รับราคาข้าวเนี่ยตันละ 17,000 บาทถ้าชาวนาปลูกข้าวเปลือกเจ้าข้าวขาวนี่ก็จะตันละ 12,000 บาทนะซึ่งตรงนี้นี่ก็มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการนะครับก็เป็นการ เปิดเผยจากนายนัตพรจรตุสีพิทักษ์โฆษกรองนายงตีฝ่ายเศรษฐกิจนะก็บอกว่าตอนนี้นะครับก็มีมาตรการช่วยเหลือกัน3โครงการก็ใช้เงินวงงานประมาณ 90,000 นกะ้าล้านบาทนะครับแล้วก็มีวงสินเชื่อหมุนเวียนนะประมาณ 35,000 ล้านแล้ววงเงินจ่ายขาดประมาณ6 2 0 0 0ล้านนะครับแนตะ่เพราะฉะนั้นนี่มีโครงการ สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนะและช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวปรปับปรุงคุณภาพและรับจำนำยุ่งฉางนะครับนั่นก็เป็นโครงการหนึ่งนะครับที่จ ะ, ะช่วยเกษตรกร ร, กรายย่อยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีมาตรการอื่นๆที่ลงมาเสริมนะครับที่ทําให้ข้าวเปลือกเนี่ยราคาจะประมาณตันละ 17,000 บาทนะและในส่วนของข้าวขาวก็ตันละ1 2ื0 0สบาท นะมีมาตรการออกมาอย่างนั้นนะก็คงจะต้อ ง, งติดตามคือถ้ามีการขยับราคาข้าวได้ก็ถือว่าได้ใจชาวบ้านล่ะครับเพราะว่าจะเห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่นะครับก็เป็นชาวนานะครับนะแล้วก็มีชาวนาแล้วก็มีจำนวนมากนะในชนบทโดยเฉพาะแถวภาคเหนือนและภาคอีสานนะครับนะถ้านะสามารถที่มีไรายได้จากการขายข้าวก็เศรษฐกิจจะฟื้นเพราะว่าชาวบ้านนี่ ถ้ามีเงินรายได้เข้ามาก็จะจับจ่ายใช้สอยก็จะเกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจซึ่งในช่วงนี้เราจะเห็นว่าเศรษฐกิจค่อนข้างจะชะลอตัวเนื่องจากว่าในราคาผลิตผลทางการเกษตรนี้ก็ ย, ยังยังไม่ไม่สูงไม่ดีมากนะครับนะทั้งข้าวทั้งยางนะครับทั้งอ้อยนะครรวมทั้งสับ ป, ปะรดเนี่ยก็ยังยังค่อนข้างที่จะขายได้ไม่มากเพราะฉะนั้นในตรงนี้ถ้าอัดฉีดลงมาก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ดี และนอกจากนี้ในส่วนของอกระทรวงพาณิชย์บอกอะจะตั้งเป้าที่จ ะ, ะเพิ่มร้านค้าประชารัฐขึ้นไปเป็น2 0 0แสนลายคือถึงร้านค้าย่อยๆเียมามาเข้าร่วมโครงการร้านค้าประชารัฐนะครับแล้วก็จะให้ร้านค้าเหล่านี้มีศักยภาพในการที่จะรับบัตรคนจนนะครับคือเอาบัตรสวัสดิการของรัฐเนี่ยไปไ ป, ไปรูดไปซื้อสินค้าต่างๆได้ ถ้ามีการกระจายตัวให้กับร้านของของชาวบ้านร้านธงฟ้าประชาลัตในแต่ละหมู่บ้านได้เข้าถึงนะฮะสามารถที่จะรับบัตรคนจนเนี่ยนะครับมาซื้อสินค้าก็จะทําให้เศรษฐกิจนี้กระตุ้นขึ้นมากเพราะที่ผ่านมานี่ก็ยังจํากัดอยู่ในในร้านขนาดใหญ่ซึ่งมีอินเทอร์เนต็ตแหะครับนะถึงจะรูดบัตรอะไรต่างๆได้ซึ่งบางครั้งร้านชาวบ้านนี่ก็เข้าไม่ถึงถ้าทําได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดี ครับนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นประโยชน์แลครับและชาวบ้านก็บอกว่าน่าจะมีการขยายให้ไปเลือกซื้อสินค้าได้ไ ด, ได้หลากหลายตัวมากขึ้นนะก็จะทำให้สามารถที่จะอยู่ได้ในช่วงเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะชะลอเนี่ยนะครับก็มีการเน้นเกี่ยวกับเรื่องของหลานค้าประชารัฐนะครับนะก็มีมาตรการออกมาในหลายๆส่วนนะครับนะอีกส่วนหนึ่งที่ที่ที่น่าจับตามองก็คง องค์การหลักประกันสุขภาพถ้าทั่วถึงได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีทั้งการรักษาพยาบาลการดูแลการเจ็บป่วยเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยก็ต้องพึ่งพาทางโรงพยาบาลอย่างมากนะครับต้องช่วยกันหลายๆทางนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่เรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรีครับสำหรับวันนี้ผมนิรันตุลทา น, านันต้องขอลาท่านเฟิ้นไปก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ แล้วเงียบเราพ่ออยู่ทางแม่ไปทางเด็กน้อยอาวานทำอะไรกันดีเด็กผู้ชายเล่นเกมเสพแต่เรื่องรุนแรงชอบแข่งขันยืนแย่นไม่มีใคร สิ่งที่เขาต้องการมากกว่าความรักอยู่กับคำหน่อยรักก็ต้องใส่ใจ ชวนกันไปไห น, ไหนเด็กผู้ชายเล่นเองเสพแต่เรื่องรุนแรงชอบแข่งขันยืนแย่นไม่มีใครคอยสอนคอยชี้ทางสิ่งที่เขาต้องการมากกว่าความรักอยู่กับเขาหน่อย แล้วต้องใส่ใจสิ่งที่เขาต้องการมากกว่าวงหญ่อยายล้มทาง น, นำพาเขาไปให้เวลากับเขา